จลาพอดท่านผู้มีเจตเมตตาการุณาใจบุญใจกุศลทุกๆ ท, ท่านวันนี้ป็นวันศสารที่3าสิงหาคมพุทธศักราชสองพันเป็นวันที่ท่านทั้งหลายมีเวลาว่างจากภารกิจการานาต่างๆจึงได้ตั้งใจมาวัด เพืมหาปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจจิตใจก็เป็นเหมือนร่างกายที่จะเป็นจะต้องมีปัจจัยสีไว้เลี้ยงดูดูแลรักษาไม่ให้เกิดความทุกข์เกิดความไม่สบายร่างกายต้องการปัจจัยสี่ ใจก็ต้องการปัจจัยสี่แต่ปัจจัยสี่ของใจกับปัจจัยสี่ของร่างกายนี้ไม่เหมือนกันปัจจัยสี่ของร่างกายเป็นรูปธรรมแต่ปัจจัยสี่ของใจเป็นนามธรรมปัจจัยสี่ของร่างกายคืออะไรก็คืออาหารเครื่องนุ่มหมที่อยู่อาศัยยารักษาโรค ถ้าร่างกายขาดปัจจัย4ร่างกายก็จะอยู่อย่างไม่ปกติสุขและอาจจะถึงแก่เสียชีวิตไปได้พวกเราจึงต้องทุ่มเทเวลาให้กับการหาปัจจัย4ี่อย่างต่อเนื่องอย่างอาทิตย์หนึ่งนี้มบ7วันเราก็แบ่งไป6วันไปหาปัจจัยสี่ มาให้กับร่างกายส่วนวันที่เจ็ดวันพระนี่เราจะมาหาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจบ้างเพราะถ้าเราไม่หาปัจจัยสี่ให้กับจิตใจเลยใจของเราจะมีแต่ความทุกมีแต่ความไม่สบายใจถึงแม้ว่าร่างกายเราจะสุขจะสบายอย่างไรแต่ พอเวลาจิตใจไม่สบายจิตใจทุกข์ความสุขสบายของร่างกายก็ไม่มีความหมายไม่สามารถที่จะมาต้านมาดับความไม่สบายใจความทุกข์ใจได้เลยในทางตรงกันข้ามถ้าใจเราสบายใจไม่ทุกข์ถึงแม้ว่าร่างกายจะอ่อน อดบ้างจะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างจะทุกข์ยากลำบากบ้างแต่ความทุกข์ยากลาบากของทางร่างกายนี้จะไม่เป็นปนัญหาเลยเพราะใจเพราะความสุขของใจความสบายของใจนี้มีกําลังมากกว่าความทุกข์ความไม่สบายทางร่างกายจึงทําให้ไม่รู้สึกเดือดร้อน ใจไม่เดือดร้อนเลยดังนั้นเราจึงควรให้ความสำคัญต่อการดูแลรักษาใจให้อยู่อย่างสุขอย่างสบายดูแลรักษาร่างกายก็เท่าที่จะทำได้อย่าไปเสียเวลามากจนเกินไปจนลืมมาดูแลรักษาจิตใจ เพราะว่าความสาคัญนี้อยู่ที่ใจเพราะใจเป็นสิ่งที่ถาวรแต่ร่างกายนี้เป็นของชั่วคราวไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้ก็ต้องหมดสภาพไปแต่ใจนี้ไม่มีวันหมดไม่มีวันดับไม่มีวันสิ้นใจอยู่ต่อไปหลังจากที่ร่างกายนี้หมดสภาพไปแล้ว ดังนั้นการดูแลรักษาร่างกายจึงไม่เป็นเรื่องสาคัญดูแลตามอัตภาพดูแลไปตามบุญตามกรรมตามกำลังของเราก็พออย่าไปทุกข์กับการดูแลรักษาร่างกายเพราะดูแลอย่างไรรักษาอย่างไรไม่ช้าก็แล้วก็ต้องเสียไปจากไปอยู่ดี ดังนั้นดูแลพอให้อยู่ได้ก็พอแล้วเราจะได้มีเวลามาดูแลรักษาใจให้มากขึ้นแทนที่จะดูแลรักษาใจเพียงวันเดียวรักษากายหกวันเราก็จะสลับกันเราจะดูแลร่างกายเพียงวันเดียวเราจะดูแลจิตใจของเราหกวันเช่นเราจะทำงานอาทิตย์ละวัน เพื่อหาปัจจัยสีมาให้แก่ร่างกายแล้วเราก็จะมาวัดหรืออยู่ที่บ้านแล้วก็สร้างปัจจัยสี่ให้แก่จิตใจปัจจัยสี่ของจิตใจนี้คืออะไร mm hmm. ก็คือทานศีลสมาธิและปัญญานี่เองทานนี้ก็คืออาหารใจ ทำทานแล้วจะมีความอิ่มเอิบใจรักษาศีลก็จะถังให้ใจสวยงามเป็นเสื้อผ้าอภรรของใจทำใจให้สงบก็จะเป็นที่อยู่อาศัยของใจหลบพิษหลบภัยต่างๆถ้ามีปัญญาก็จะมีรักษาโรคใจรักษาโรคความเครียดรักษาโรคทุก โรคสาโรค ก, กังวลวิตกห่วงใยว้าวุ่นขุ่นบัวโรคฟุ้งซ่านถ้ามีปัญญาจะสามารถรักษาใจไม่ให้มีโรคทางจิตใจคนเราที่เป็นโรคจิตกันก็ เ, เพราะว่าไม่มีปัญญานั่นเองไม่รู้จักใช้ปัญญาไม่มีสติปัญญาเขาถึงเรียกว่าคนเสียสติคนเสียปัญญา เป็นคนบ้าไปดังนั้นเราต้องมาหาปัจจัยสี่ให้กับใจของเรามากมากเพราะหาได้มากเท่าไหร่ก็จะมีความสุขมากขึ้นไปเท่านั้นแล้วก็จะมีความทุกข์น้อยลงไปจนไม่มีความทุกข์อยู่ภายในใจเลยเช่นใจของพระพุทธเจ้าใจของพระอรหันตสาวกทั้งหลาย ท่านมีปัจจัยสีทางใจครบถ้วนบริบูรณ์ได้ทำทานเต็มร้อยได้รักษาศีลเต็มร้อยได้นั่งสมาธิเต็มร้อยได้มีปัญญาเต็มร้อยพอมีทานศีลสมาธิปัญญาเต็มร้อยใจก็มีความสุขเต็มร้อยเป็นพลังสุขขังพลังสุขขังก็คือว่า มีแต่ความสุขล้วนๆไม่มีความทุกข์เลยไม่เหมือนใจของพวกเราที่ยังไม่มีปัจจัยสี่ของใจครบร้อยทานยังไม่ครบร้อยศีลยังไม่ครบร้อยสมาธิปัญญายังไม่ครบร้อยใจของเราจึงมีสุขบ้างมีทุกข์บ้างส่วนใหญ่จะมีทุกข์มากกว่ามีสุข เพราะว่ามีปัจจัยสี่ของใจไม่มากนั่นเองดังนั้นเราต้องพยายามสร้างปัจจัยสี่ของใจให้มากขึ้นไปเรื่อยๆเช่นทานนี้ควรจะทำทุกวันเหมือนกับการให้อาหารกับร่างกายเราให้อาหารกับร่างกายได้ทุกวันเราก็ต้องให้อาหารกับใจได้ทุกวันเช่นเดียวกัน ด้วยการทำทานทานก็คือการให้ให้นี้จะให้ใครก็ได้ไม่จาเป็นจะต้องให้กับพระท่านั้นให้กับผู้ที่เขาตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนหรือให้กับผู้ที่มีพระคุณให้แล้วเราก็จะเกิดความอิ่มใจสุขใจควรจะให้ทุกวัน ถ้ามีพระมาบิณฑบาตก็ใส่บาตรทุกวันถ้าไม่มีพระมาบิณฑบาตก็เอาเงินที่จะใส่บาตรนี้ใส่กระปุกเอาไว้ใส่กระป๋องเอาไว้แล้วพอเรามีเวลาเรามาวัดก็เอามาถวายให้กับวัดไปอย่างนี้เราก็จะได้ทำทานทุกวันถ้าไม่ ทำกับพระอยากจะทํากับพ่อกับแม่ก็ได้ทุกวันกล่าวพ่อกล่าแม่แล้วก็ให้เงินพ่อให้เงินแม่หรืออยากจะให้กับคนที่ตกทุกข์ได้ยากขอทานข้างถนนให้ไปหรือจะให้กับญาติสนิทมิตรสาหายก็ได้ขอให้มีการให้อยู่เรื่อยๆเพราะเป็นเหมือนกับการรับประทานอาหารถ้า ให้มากก็จะอิ่มมากให้น้อยก็จะอิ่มน้อยนี่คือทานที่เป็นอาหารของใจเมื่อใจได้รับอาหารแล้วความอยากต่างๆก็จะเบาบางลงไปความอยากเที่ยวก็จะเบาบางลงไปความอยากซื้อของพุ่มเฟยต่างๆก็จะเบาบางลงไป การอยากดูอยากฟังอยากดื่มอยากรับประทาน <c oughs> ก็จะเบาบางลงไปจะทำให้เราไม่เดือดร้อน <c oughs> เวลาที่เราไม่ได้ดูไม่ได้ฟังไม่ได้ดื่ไม่ได้รับประทานเ <c oughs> พราะใจเราไม่หิวนั่นเองใจเราอิ่มอิ่มด้วยบุญบุญที่เกิดจากการให้ทานนี่เองแล้วเราก็ต้องมา หาเสื้อผ้าอภรรท์ที่สวยงามสวนใส่ให้กับใจร่างกายเรามีเสื้อผ้าสวยงามอยู่หลายชุดอยู่แล้วพอแล้วแล้วก็ความสวยงามของทางร่างกายก็สู้ความสวยงามทางใจไม่ได้ความสวยงามทางร่างกายนี้เป็นความสวยงามปลอมไม่ใช่เป็นความสวยงามจริง ไม่สามารถชนะใจผู้อื่นได้ถ้ามีความไม่สวยงามทางจิตใจเช่นถ้าเป็นคนไม่ดีเป็นคนชั่วคนชอบทำบาปทำกรรมจะอยู่กับใครก็ไม่มีใครเขาจะชื่นชมยินดนีถึงแม้ว่าจะมี เสื้อผ้าอาภรณ์ที่สวยงามดวยสวมใส่ทางร่างกายก็ตางแต่พอรู้จิตใจว่าเป็นอย่างไรก็จะไม่มีคนจะชื่นชมยินดีจะมีแต่คนรังเกียจไม่อยากจะเข้าใกล้ไม่อยากจะคบค้าสมาคมด้วยเพราะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สินนั่นเอง คนที่ไม่สวยงามคือคนชนิดไหนก็คือคนที่ไม่มีสีนี่เองคนที่ไม่รักษาสีหน้าเช่นไม่ละเว้นจากการฆ่าสตตับตัดชีวิตไม่ละเว้นจากการลักทรัพย์ไม่ละเว้นจากการกระพฤติผิดปรเวณีไม่ละเว้นจากการพูดปดมดท ไม่ละเว้นจากการเสพสุรายาเมานี้เองคนที่ยังฆ่ายังลักทรัพย์ยังประพฤติผิดประเวณียังโกโหกหลอกลวงยังดื่มสุรายาเมานี้เป็นคนที่น่ารังเกียจไม่มีใครอยากจะอยู่ใกล้ชิดไม่มีใครอยากจะให้มาอยู่ในบ้านของตนเพราะกลัวว่าจะมาฆ่ามารักทรัพย์ มาประพฤติผิประเวณีมาโกโหกหลอกลวงมาเมาอรารวาสนั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะเป็นคนที่น่ารักเป็นคนที่สวยงามเราต้องสวยงามทางจิตใจอย่าไปสวยงามทางร่างกายเพราะว่าความสวยงามทางร่างกายนี้ไม่สามารถชนะใจได้ ถ้าใจไม่สวยงามแต่ถ้าใจสวยงามถึงแม่ร่างกายไม่สวยงามก็จะชนะใจคนไดน้จะทําให้คนเขารักเขาชื่นชมยินดีถึงแม้ว่าหน้าตาจะไม่สวยงามเสื้อผ้าจะไม่มีราคาแพงหรือวิจิตรพิสดารก็จะไม่มีใครรังเกียจ นี่คือความสวยงามของใจที่เราต้องเสริมสวยอยู่เรื่อยๆเสริมด้วยการรักษาสีนหน้าและเว้นจากการลักทรัพย์ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตประพฤติผิดประเวณีโกหกหลอกลวงเสพสุรายามาการรักษาสีนี้ก็ไม่จำเป็นจะต้องบาวัดการรักษาสีนี้รักษาได้ทุกที่ทุกแห่งทุกผลทุกเวลา กะศีลอยู่ที่กายวาจาของเราไม่ได้อยู่ที่สถานที่การรักษาศีลไม่ต้องมาขอศีลจากพระเพราะพระไม่สามารถให้ศีลของท่านได้ถ้าให้ศีลของพระไปแล้วพระจะมีศีลเนี่ยไรอยู่ก็เหมือนกับให้เสื้อผ้าของตนให้คนอื่นเอาไปใส่ตัวเองก็ร่อนจ้อนเท่านั้นเองดังนั้นการ มีศีลนี้ไม่จาเป็นจะต้องมาขอจากพระที่มีการขอนี่เป็นการศึกษาขอความรู้ถ้าไม่รู้ว่าศีลห้ามีอะไรก็มาขอคำปรึกษาขอขอสมาทานขอให้พระแจ้งให้ทราบว่าศีลห้ามีอะไรเ mm hmm. ช่นเรามีทธรรมเนียมขอศีลกันการขอศีลนี้ไม่ได้ขอศีลของพระ แต่ขอความรู้ว่าศีลห้านี้มีอะไรบ้างพระเป็นผู้ที่ศึกษาเรื่องของศีลธรรมอยู่ก็จะรู้จะบอกได้ว่าศีลห้ามีอะไรบ้างพอพระให้ศีลแล้วสอนแล้วว่าศีลห้าก็คือการละเว้นจากการฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ประพุติผิดประเวณีพูดปดโดเทศเส ศ, ศ, ศ, ศุรายามา เราก็เอาไปรักษาถ้าเรารู้ว่าศีลห้ามีอะไรเราจะรักษาเวลาไหนเมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ไม่ต้องมาที่วัดก่อนอการที่ทําให้มีศีล น, นี้ก็มีอยู่สามลักษณะด้วยกันลักษณะที่เราเข้าใจกันก็คือการสมาทานศีลเวลาเราอยากจะรักษาศีลเช่นวันเสาร์วันอาทิตย์หรือวันครับ เราก็มาวัดเราก็มาสมาทานศีลให้พระบอกว่ามีศีลกี่ข้อมีอะไรบ้างแล้วเราก็จะเอาไปรักษาอย่างนี้เรียกว่าการรักษาศีลด้วยการสมาทานวิธีหนึ่งที่เราสามารถรักษาได้โดยที่ไม่ต้องมีพระมาให้ศีลกับเราก็เรียกว่าศีลวิรัต คำว่าวิรัติก็คือละเว้นนั่นเองเหมือนกับมังสะวิรัตที่แปลว่าเราละเว้นจากการรับประทานเนื้อสัตว์วันไหนเราไม่อยากจะรับประทานเนื้อสัตว์เราก็ถือมังสะวิรัตวันไหนที่เราอยากจะรักษาศีลห้าอยากจะละเว้นจากการฆ่าสัตว์นักทรัพย์ประพฤติติดโตเรนีโกหกเศษสุรายามังเราก็ถือ ศีลวิรัติไปแทนที่จะเป็นมังสวิรัตก็เป็นศีลวิรัติศีลวิรัตนี่แหละเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์กับใจมังสวิรัตนี้ไม่เป็นประโยชน์กับใจแต่อย่างใดการรับประทานเนื้อสัตว์หรือะระัะไม่รับประทานเนื้อสัตว์นี้ไม่ได้ทำให้เรามีศีลเกิดขึ้นมาไม่ได้ทำให้เราสวยงาม การที่เราจะสวยงามเราต้องไม่ฆ่าเท่านั้นเองเช่นถ้าเราอยากจะเวลาเรารับประทานอาหารเราไปไปซื้อกับข้าวกับปลามาถ้าอยากจะรับประทานเนื้อสัตว์ก็อย่าซื้อสัตว์ที่ยังไม่ตายอย่าไปเอาสัตว์ที่ยังไม่ตายมาฆ่าแล้วทำเป็นอาหารอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีศีลเพราะ ไม่ได้ละเว้นจากการฆ่าสัตว์แต่ถ้าไปซื้อเนื้อสัตว์ที่ตายแล้วมาทำอาหารรับประทานอย่างนี้ไม่บาปยังถือว่าไม่ได้ทำผิดศีลแต่อย่างใดเพราะว่าไม่ได้ฆ่านั่นเองดังนั้นถ้าเราอยากจะมีศีลมีความสวยงามก็ให้ถือศีลวิรัตอย่าไปถือมังสวิรัต หืมังสวิรัตินี้ไม่ได้ประโยชน์อะไรนอกจากว่าเราไปฆ่าเนื้อสัตว์แล้วมารับประทานอย่างนี้ถึงจะถือว่าเป็นบาปแต่ถ้าเราไม่ได้ไปฆ่ามีคนเข้าฆ่าแล้วเอามาขายอย่างนี้เราก็ซื้อมาได้เอามารับประทานได้เราก็ยังไม่ได้ทาบาปแต่อย่างใด เรายังมีศีลได้เช่นวันนี้เราสมมติว่าเราไม่ได้มาวัดแล้วเราอยากจะรักษาศีลห้าเราก็กำหนดขึ้นมาภายในใจของเราตั้งจิตอธิษฐานไว้ว่าวันนี้จะรักษาศีลห้าอย่างนี้ก็เรียกว่าศีลวิรัติไม่ต้องไปวัดไม่ต้องไปหาพระให้ศีลกับเราแล้วก็มีศีลอีก ชนิดหนึ่งเป็นชนิดที่สาศีลชนิดนี้เป็นศีลที่เกิดจากใจที่เห็นว่าการทําบาสนี้เป็นโทษกับจิตใจทําบาแล้วจะทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่สบายใจเหมือนกับเอาค้อนมาทุบศีศรษะหรือเหมือนกับเอามีดมาทิ่มแทงร่างกายผู้ที่เห็น ความจริงอันนี้ก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดเพราะไม่อยากจะเจ็บนั่นเองเหมือนกับคนที่ไม่เอามีดมาทิ่มแทงร่างกายไม่เอาค้อนมาทุบ ศ, ศีรษะเพราะเห็นว่าจะเป็นการทำร้ายชีวิตของตนเองฉันใดการทำบาปก็เป็นอย่างนั้นผู้ใดทำบาปแล้วก็ทํางกลับมา เอามีดมาทิ้งแทงจิตใจของตนเองทําให้จุดใจต้องทุกข์ทรมานต้องไปใช้เวรใช้กรรมในอบายผู้ที่มีความสามารถเห็นความจริงอันนี้ก็คือพระอริยเจ้าทั้งหลายนั่นเองตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปท่านจะเห็นความจริงอันนี้เห็นว่าการทําบาสนี้ เป็นการฆ่าตนเองค่าาจิตใจของตนทำให้จิตใจของตนต้องทุกข์ทรมานต้องไปรับใช้รับผลของเวรของกรรมที่จะตามมาต่อไปถ้าเห็นอย่างนี้ก็จะไม่ทำบาปโดยเด็ดขาดนี่คือศีลของพระอริยเจ้าเป็นศีลถาวรเป็นศีลที่ไม่ต้องคอยมาสมาทาน มาคอยวิรัติอยู่เรื่อยๆ เ, เพราะเห็นด้วยปัญญามีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าการทำบาปนี้เป็นการฆ่าตนเองเป็นการทิ่มแทงจิตใจของตนเองให้ทุกข์ทรมานนี่คือเรื่องของการมีความสวยงามทางจิตใจเ ร, เราจึงก่าบว่าพระอริยบุคคลได้อย่างสนิทใจ มีความชื่นชมยินดีเคารพนับถือได้อย่างสนิทใจเช่นเรากราบไ่ว้พระพุทธเจ้ากราบไหว้พระอาลัยตรสารกทั้งหลายเพราะท่านเป็นคนสวยงามนั่นเองท่านมีศีลท่านไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อผู้ใดนี่คือเรื่องของการเสริมความสวยงามให้เกิดขึ้นกับตัวเรา เราต้องมีเสื้อผ้าอาพอรของใจก็คือต้องมีสีนี่เองส่วนที่อยู่อาศัยของใจคืออะไรที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิความสงบนี่เองเพราะเวลาเรานั่งสมาธิแล้วใจเราสงบแล้วภัยต่างๆจะไม่เข้ามารบกวนใจภัยที่เกิดจากความอดอยากขาดแคลน เกิดจากการเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดจากปัญหาต่างๆในชีวิตของเรานี้จะไม่เข้ามารบกวนใจของเราเวลาเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบความทุกข์ใจความวุ่นวายใจต่างๆจะหายไปหมดเลยนี่คือที่อยู่อาศัยของใจเวลาเรามีความไม่สบายใจมีความทุกข์ใจ เวลาเราเข้าไปในสมาธิแล้วความไม่สบายใจความทุกข์ใจก็จะหายไปหมดมเราจึงควรสร้างที่อยู่อาศัยให้กับใจถ้าเราไม่มีที่อยู่อาศัยให้กับใจเวลาเกิดความทุกข์ใจเกิดความเครียดเกิดความฟุ่งซ่านนี้ไม่มีที่หลบภัยและอาจจะหลบภัยด้วยการข่าตัวตาย ก็คิดว่าเวลาตายไปแล้วความทุกนี้จะหมดไปแต่ความทุกนี้มันไม่หมดไปเพราะว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่ร่างกายมันอยู่ที่ใจถ้าร่างกายไปความทุกข์ใจก็ยังอยู่ในใจอยู่ดังนั้นเราต้องพยายามสร้างที่หลบภัยขึ้นมาให้ได้ไม่ใช่นนั้นเวลาที่เรามีความทุกข์ใจเราจะไม่มีที่หลบ เราจะทุกข์ทรมานมากถ้าทุกข์มากมากก็อยากจะคิดฆ่าตัวตายไปนี่คือที่อยู่อาศัยของใจก็คือสมาธิการที่จะทำให้เกิดสมาธิขึ้นมาได้ก็ต้องคอยควบคุมความคิดอย่าปล่อยให้คิดเรื่อยเปยื่อยบังคับให้คิดอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งเช่นคิดอยู่กับพุทโธพุทโธคิดไปเรื่อยๆแล้วใจจะว่าง และเวลาเราไม่มีงานต้องทำเรานั่งเฉยๆหลับตาท่องพุโทโธไปแล้วเดี๋ยวใจก็จะเข้าสู่ความสมุกอย่างเต็มที่พอเข้าสู่ความสมุกแล้วก็จะไม่รอบรู้เรื่องราวต่างๆแม้แต่เรื่องของร่างกายก็ไม่รู้้เช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็จะไม่รู้สึกเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่ใจเข้าไปอยู่ในสมาธิเพียงแต่ว่า ใจไม่สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอด24ชั่วโมงต้องออกมาเพราะยังต้องมาดูแลร่างกายร่างกายต้องรับประทานอาหารร่างกายต้องเข้าห้องน้าดังนั้นจึงไม่ได้สามารถอยู่ในสมาธิได้ตลอดเวลาพอออกมาก็จะมารับรู้เรื่องราวต่างๆก็จะมาทุกข์กับเรื่องราวต่างๆมาเครียดกับเรื่องราวต่างๆ ก็จะเกิดโลกใจขึ้นมาเกิดโรคจิตขึ้นมาถ้าเราอยากจะดับโรคจิตนี้เราก็ต้องใช้ปัญญาปัญญานี้จะทำให้เราสามารถดับพานทุกใจได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปในสมาธิเข้าไปในสมาธิก็ดับได้ชั่วคราวพอออกมาจากสมาธิก็ต้องมาทุกข์ใหม่แต่ถ้าเรากินยาคือธรรมโอสถ คือปัญญานี้ใจของเราก็จะหายจากโรคภัยใข้เจ็บอย่างถาวรจะไม่ทุกข์จะไม่เครียดกับเรื่องราวต่างๆการที่เราจะใช้ปัญญาทําให้มีปัญญาได้เราก็ทําทตามทาตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนคือทรงสอนให้เรามองให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ถาวร ไม่อยู่กับเราไปตลอดเราไม่สามารถไปควบคุม บ, บังคับไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้ถ้าเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนี้นอย่างนี้เราก็จะมีความทุกข์ใจแต่ถ้าเราเห็นว่าเขาไม่เที่ยงเราสั่งเขาไม่ได้เราไม่อยากได้ค่ะไม่อยากมีเราก็จะไม่ทุกข์ความทุกข์ของพวกเราทุกวันนี้ก็เกิดจากความ อยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้ร่างกายของเราไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่มันเป็นสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพราะร่างกายของเรามันไม่เที่ยงมันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปเราไปห้ามไม่ได้ไปสั่งมันไม่ได้ถ้าเราอยากเราก็จะทุกข์ แต่ถ้าเราเห็นว่าเราห้ามเขาไม่ได้เขาต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแล้วถ้าเราไปอยากเราจะทุกข์เราก็หยุดอยากพอเราหยุดอยากก็หายทุกข์หายจากโลกของความโลกทุกข์ใจโลกของความเครียดโลกของความกลัวนี่คือวิธีรักษาโรกใจด้วยปัญญาต้องพิจารณาอยู่นืองเงอยู่เรื่อยๆว่า ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้ไม่ว่าเป็นสัตว์หรือเป็นบุคคลล้วนเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยมมีเกิดมีดับมีมามีไปห้ามเขาไม่ได้ <c oughs> เช่นพวกเรานี้สักวันหนึ่งก็ต้องจากกันไปร่างกายของเราก็ต้องจากเราไปร่างกายของสามีของภรรยาของบุตรของธิดาของบิดามารดาของญาติสนิทมิสหายก็ต้องจากเราไป เราห้ามไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ถ้าเราอยากให้เขาอยู่เราก็จะเสีย อ, อกเสียใจเวลาที่เขาจากเราไปถ้าเรารู้ความจริงเราก็จะไม่อยากเราก็จะเฉยเฉยมาก็มาไปก็ไปไม่เห็นจะเดือดร้อนต้องเดือดร้อนเลยนี่คือปัญญาถ้าเรามีปัญญาแล้วเราจะไม่มีความอยากให้สิ่งนั้นสิ่งนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ พอไม่มีความอยากก็จะไม่มีความทุกข์ใจไม่มีโรคใจหายจากโรคใจไม่มีโรคเครียดไม่ต้องเป็นบ้านี่คือปัญญาเป็นปัจจัยที่สี่ของใจคือยารักษาโรคใจถ้าพวกเราจเจริญทานศีลสมาธิปัญญาได้เต็มร้อยเราก็จะรักษาใจของเราได้เต็มร้อย รักษาใจของเราให้ไม่มีความทุกข์เลยให้มีแต่ความสุขเต็มร้อยอยู่ไปตลอดเวลาไม่มีวันซึ่งสุดอย่างที่พระพุทธเจ้าและพระอาหารหันตสาวกทั้งหลายได้ดูแลรักษาใจของท่านจนในขณะนี้ใจของท่านก็ยังมีความสุขเต็มร้อยอยู่เหมือนเดิมใจของพวกเราก็จะเป็นอย่างนี้เช่นเดียวกัน ถ้าเราหมั่นสร้างปัจจัยสี่ให้กับใจไปเรื่อยๆจนสามารถสร้างได้เต็มร้อยจึงขอฝากเรื่องของการมาดูแลรักษาใจหาปัจจัยสี่ให้กับใจนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญของจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสแดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา